สิกขาบทที่สองภิษุนีด่าบริพาสภิกษุต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังดา่าต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อด่าแล้วต้องอาบัตปาจิตตี